หรือว่ า, าหลวงสารสีหัตรายมาเป็นข้าหลวงนะคะประมาณปีพุทธศักราช 2,483 พอสร้างเสร็จขุนบริหารชนบททำงานที่สารากลางอยู่ได้แค่ปีเดียวพอถึงปี 2,484 ท่านก็ป่วยแล้วก็เสียชีวิตลงนะคะโดยกล่าวกันนะคะว่าวิญญาณของท่านข้าหลวงนั้ น, นี่เฮียนมากค่ะแม้ว่าตายแล้วก็ยังเป็นห่วงสารากลางที่ท่านคุมสร้างไว้